คุณสมบัติฝ่ายหมดหรือฝ่ายละแสดงเฉพาะที่สำคัญและน่าสนใจพิเศษคุณสมบัติฝ่ายละข้อที่หนึ่งละสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจได้สามอย่างคือหนึ่งสักยทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวของตนติดสมมุติเหนียวแน่นซึ่งทำให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบและเกิดความกระทบกระทั่ง มีทุกข์ได้แรงแรง 2. วิจิกิจฉาความสงสัยไม่แน่ใจต่างๆเกี่ยวกับพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศิกขาเป็นต้นซึ่งทำให้จิตไม่น้อมดิ่งไปในทางที่จะระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติให้เร่งรุดไปในมรรค า, ขขา 3. ศีลรัตตปรามาทความถือเควเกี่ยวกับศีลพริคือการถือปฏิบัติศีลกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมต่างๆไม่บริสุทธ์ตามหลักการตามความมุ่งหมายที่มุ่งเพื่อความดีงามเช่นความสงบเรียบร้อยและความเป็นบาตรฐานของสมาธิเป็นต้นแต่ประพฤติด้วยตัณหาและทิฏฐิเช่นหวังผลประโยชน์ตอบแทน หวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นตลอดจนประพฤติด้วยงมงายสักว่าทาตามๆกันมาคุณสมบัติฝ่ายละข้อที่สองละมัชริยะคือความตรณีความใจคับแคบหวงแหนคอยกิดการพู้อื่นทั้งห้าอย่างคือหนึ่ง อาวาสมัจฉาริยะห่วงที่อยู่อาศัยห่วงถิ่นสองกุลามัจฉริยาหวงตระกูลห่วงพวกห่วงสำนักห่วงสายสัมพันธ์เทียบกับที่พูดกันบัดนี้ว่าเล่นพวกสลาภามัจฉริยะห่วงลาบห่วงผลประโยชน์ ค, คิดกิดกันไม่ให้คนอื่นได้สวั น, นะมะชาริยะหวงกิตติคุณหวงคำสรรเสริญไม่พอใจให้ใครมีอะไรดีมาแข่งตนไม่พอใจให้ใครสวยงามได้ยินคำสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นแล้วทนไม่ได้หาธรรมะมาชาริยะหวงธรรมะ หวงวิชาความรู้หวงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้หรือประสบผลสำเร็จเทียมเท่าหรือเกินกว่าตนสำหรับในเรื่องนี้ถ้ายังมีมัชริยาห้าแม้ตาปฐมฌานก็ไม่สำเร็จคุณสมบัติฝ่ายละข้อที่สละอัคติ คือความประพฤติผิดทางหรือความลำเอียงรัได้ทั้งสี่อย่างคือหนึ่งฉันทาคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชอบสองโทษาคติลำเอียงเพราะชังสามโมหาคติลำเอียงเพราะหลงหรือเข่าสี่พยาคติ ลำเอียงรอกกลัวคุณสมบัติฝ่ายละข้อที่สี่ละราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงขั้นหยาบหรือรุนแรงที่จะทำให้ถึงอบายไม่ทำกรรมชั่วขั้นร้ายแรงที่จะเป็นเหตุให้ไปอบาย